ต่อนนี้ไปพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่โลกสนิวัตอันนี้มันก็ถ้าพูดถึงความจริงโดยสมมตุติแล้วมันก็มีอยู่สองอย่าง ดีหนึ่งกับชั่วหนึ่งนี่เนี่ยให้พากันศึกษาให้เข้าใจก็เพราะคนเรานะมันไม่เข้าใจเรื่องดีกับชั่วนี่เนี่ยมันจึงยากอยู่ความเป็นอยู่มันจึงค่อยวุ่นวายเดือดร้อน ถ้าผูดด้ใดรู้ดีกับชั่วนี่แจ่มแจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะดีกับชั่วเหมือนดำกับขาวไอ้ดำนี่มันก็มีประโยชน์อย่างสีดำเมือนนี่ เขาก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกเลยอสีขาวก็มีประโยชน์เหมือนกันไอความชั่วแนละ้วมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรมันมีประโยชน์เพราะเมื่อรู้ว่ามันชั่วมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์ผู้ใดทําชั่วแล้วมันได้ประสบกับความทุกข์ รู้ตัวแล้วก็ละความชั่วนั้นเสียมาทำความดีต่อให้เต็มความสามารถเข้าไปมันทำให้ความดีนั้นเจริญไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นโทษถึงความชั่วมาแล้วว่าความชั่วนั้นมันก่อให้เกิดทุกข์ยางไร มันได้สัมผัสมาเป็นสักขีพยานแล้วเนรรสชาติแห่งความดีมันทำให้ได้รับความสบายใจอย่างไรมันก็รู้นี่ถ้าไม่มีของเทียบกันอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะลงทางใดทางหนึ่งได้อย่างเด็ดเดี่ยว ตที่บุคคลจะทำความดีได้โดยตลอดไปไม่ยอมละทิ้งความดีก็เพราะเบื่อหน่ายต่อความชั่วจิตใจของคนเรานี่ถ้าว่างๆจากความดีแล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาแทนเหมือนแผ่นดินที่มันว่างจากพืชที่มีผลต่างๆนั่นแหะ เจ้าของที่ดินปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดานะมันก็เกิดหญ้าอันไม่เป็นสิ่งที่ต้องการขึ้นมารกทึบเลยจิตใจของคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ฝึกฝนนี่นะก็มันมีพืชอยู่สองอย่างอันนี้นะพืชแห่งความดีหนึ่งพืชแห่งความชั่วหนึ่ง พืชทั้งสองอย่างนี่มันก็เป็นศัตรูกันเหมือนอย่างพืชผลภายนอกกับหญ้านั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้นไม้ที่มีผลมันเกิดมันเจริญแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปปกคลุมพื้นดินไว้แล้ววันี้หญ้าอันเป็นศัตรูมันก็เกิดไม่ได้นั่นก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย แต่ระยะที่ต้นไม้ที่มีผลยังไม่งอกงามเจริญเต็มที่หญ้ามันอาจขึ้นคอบงามได้เจ้าของต้นไม้ก็ต้องมันดูแลต้องชำละหญ้าถอนหญ้าอยู่เสมอเช่นนี้เราไม้พืชอันนั้นมันจึงค่อยเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะหญ้ารากของหญ้ามันไม่ได้ไปแย่งกินอาหาร ของพืชที่มีผลนั้นมันถึงเจริญ ง, งอกงามขึ้นได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรานี่มันก็มีพืชอยู่สองชนิดอย่างว่านั้นแะอืมันผสมเสอยู่ในใจเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ฝึกผลอบรม ให้ตรงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะหนึ่งมันคิดดีขึ้นมาทันไปอีกในขณะหนึ่งคิดชั่วขึ้นมาของมันมีอ่ะมันมีอยู่ทั้งสองอย่างแต่มันมีใจนั่นเป็นประธานขณะใดถ้าใจมันชอบความชั่วขึ้นมามันก็ปุงแต่งเรื่องชั่วขึ้นมา ไอ้เรื่องดีก็เกิดไม่ได้ในขณะใดจิตใจน้อมไปในทางที่ดีชอบกับความดีปรุงแต่งความดีแล้วก็ใช้กายอาจาทำดีพูดดีไปไอ้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนสามัญทั่วๆไป วันนี้ลองเามาวิจารณ์ดูไอ้ พ, พระอริยะบุคคลน่ะนั่นน่ยท่านเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริงและวันนี้สิ่งใดที่มันชั่วท่านก็ละให้ขาดเด็ดไปเลยด้วยอํานาจแห่งอริยมรรต์เป็นอย่างนั้นวันนี้ก็มีแต่ความดีเท่านั้นอยู่ในใจของท่าน เพราะว่าเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วนะ่ยมันถอนรากของความชั่วออกหมดความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่จะความดีคือบุญกุศลเท่านั้น อ, อยู่ในดวงกิจของท่านดังนั้นพระอริยบุคคลนับแต่ประโสูติดาเป็นต้นไปท่านจึงไม่ก่อเรื่องยุ่งเรื่องยากลำบากให้เกลใครต่อใครเลย ท่านมีปัญญารู้ว่ารู้จักทางความเสื่อมรู้จักทางความเจริญได้ด้วยตนเองในวันนี้อมันเป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญ น, นี่บางคราก็รู้บางคราก็หลงไปนั่นลองเทียบกันดูมันเป็นอย่างนั้นเลย คราวไหนมันหลงมันก็สักจะทําผิดพูดผิดไปนะคิดเห็นผิดไปเป็นอย่างนั้นคราไใดมันรู้ตัวมาก็ทําถูกพูดถูกคิดถูกไปตรงตามคําสอนของพระเจ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนให้พิจารณาดูตัวของเราเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหม ในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไปตามรู้ให้ใครอ่ะต่างคนต่างต้องพิจารณาตัวเองเสมอไปไม่เช่นนั้นแล้วก็จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปไม่ได้จะไปคอยเธอผู้อื่นตักเตือนว่ากลาอยู่อย่างนั้นถึงจะละชั่วทำดีได้อย่างนี้ ไม่ไหวเพราะจะมีใครแล้วตามสอนเราเตือนเราอยู่ทุกอิริยบทนั้นไม่มีในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ตามสอนใครบอกใครเพราะว่าคนเป็นจำนวนหมืน่นหมืน่นแสนแส น, แสนล้านล้านแล้วเราจะไปสอนใครทุกคนทุกระยะได้ไม่มีอ่ะ เป็นงนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งเป็นคราวชี้หนทางผิดทนทางถูกให้ผู้มีปัญญาฟังแล้วก็เห็นว่าทางนี้เป็นทางผิดก็พยายามรักษากายวาจาใจของตนอย่าให้มันทำไปทางที่ผิดอย่าให้พูดไปในทางที่ผิดอืม อย่าให้มันคิดไปในทางที่ผิดนั่นนั่นทำเอาเองนะฝึกตนเอาเองอย่างนี้นะฝึกไปบั น, นี้ก็ได้ฟังทำตามการตามเวลาที่มาถึงก็เป็นเครื่องสักกิดใจเตือนใจให้ตื่นตัวไม่ประมาทนั่นเอง หลังจากฟังทำแล้วก็ตื่นตัวก็ตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจของตนอันนี้นะว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้า ดังนั้นนะทุกคนให้ตื่นตัวกันว่าเรายังมีดีกับชั่วปนเปนกันอยู่ในหัวใจนี้ความชั่วถ้าพูดตามหลักใหญ่ๆ้วนะก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงไอ้ความดีมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ มันไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยซึ่งว่าคนเรานั้นจะไม่รู้ความดีความชั่วได้ถ้าหากว่าเอาใจจดจ่อเพ่งพิจารณาจริงๆก็รู้ได้ทุกคนแหละแต่นี้ส่วนมากมันไม่ได้เอาใจจดจ่อมาพิจารณาตัวเองมันถึงไม่เห็นความดีความชั่วในตัวของตัวเอง ผู้ใดมาพิจารณาตัวเองอยู่เสมอส ม, อมันก็เห็นได้ก็อย่างเคยพูดลักษณะอาการแห่งกีรเลสามกองนี่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนั่นแะทุกค น, นต้องให้รู้สิมันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่นะดีกับชั่ว น, ะนั่นเลย ท่านเมื่อบคุคคลมีการยินดีในการบริจาคทานอยู่เช่นนี้นี่มันก็จะไม่คิดโลกอยากได้ของใครต่อของใครเมื่อเป็นของตนนั่นแต่ถ้าใครเกิดความตนี่หวงเห็นไม่เฉลี่ยเจียจานเลยได้มาเท่าไรก็หวงว่าอย่างนี้นี่ความโลกก็เต็มตัวเลย อันนี้แหละมันเป็นเหตุให้ไปเ บ, บ, บียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาโดยทางที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลผิดธรรมก็เพราะความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุ น, ะนั่นไงก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาจิตใจตัวเองว่ามันมีอยู่ไหมความโลภแบบนี้ความเห็นแก่ตัวเนี่ย ทุกคนต้องพิจารณาตัวเองนะจะให้ผู้อื่นทักท้วงให้ไม่ได้รอกเดี๋ยวก็โกรธ ถ, ถ้าใครไปพูดลงว่าคุณนี่เห็นแก่ตัวนะมีสมบัติมากมายก็ไม่เฉลี่ยเจียจ้านใครเลยอย่างนี้โอยเกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยทีเดียวนั่นนะเพราะฉะนั้นใครก็จะไม่กล้าไปพูดอย่างนั้นต่อหน้าเลยนอกจากเขาพูดรับหลังเท่านั้นแหละ ดฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคําสอนของพระเจ้าไม่มีที่เคารพสักการบูชาเนี่ยยากอยู่นะที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้เพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ยอมให้ใครสั่งสอนไม่ยอมน้ม น, มน้อมต่อใครอย่างนี้แล้วใครก็สอนไม่ได้อืมใครก็แนะนําสั่งสอนไม่ได้เลย มันเป็นยังไงการที่บุคคลจะผู้มีความรู้ทั้งหลายจะสั่งสอนผู้อื่นได้ก็เพราะผู้อื่นยอมให้สอนอน้อมตัวน้อมกายน้อมใจเข้ามายอมให้แนะนำสั่งสอนท่านก็จึงสอนได้มันเป็นยังแม่แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะ ถ้าใครไม่นอบน้อมมาหาพระองค์พระองค์ก็ไม่สอนผู้นั้นจะทำชั่วจะไปตกนรกอเวจีนั่นก็แล้วแต่พระองค์ก็วางอุเบกขาลงไปเพราะเหตุว่ามันช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเช่นนี้เนี่ยลง พิจารณาดูสีปฏิปทาของพระเจ้าก็ดีนังนั้นเรื่องพุทธศาสนานี่จึงหมายความว่าเป็นเรื่องความสมยอมนะไม่ใช่เป็นเรื่องบงังคับความพอใจอันนี้มันก็สรงสมกับคำที่ว่า บุคคลมาเห็นทอดเหงาความชั่วแล้วอยากทำดีอยากเป็นคนดีนี่นะปนั้นเป็นผู้ตื่นตัวรู้ตัวได้อย่างนี้แหละมันได้ลําพังตัวเองไม่มีปัญญาที่จะมาละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อรู้ตัวได้อย่างนี้นะ่ก็จึงน้อมกายน้อมใจผู้ตนเข้าไปหาท่านผู้รู้กลัวตน บุคลผู้บติดีบติชอบนาคเคารพนับถือทั้งมีความสามารถมีความเจริญฉลาดทั้งมีความบติเรียบร้อยไอ้อย่างนี้นะก็เข้าไปหาท่านผู้เช่นนั้นนะไปยอมให้ท่านแนะนาสั่งสอนเข้าไปก็จึงสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้โดยตนเอง สามารถละคาคมชั่วไปได้ไม่เด็ดขาดก็เรียกวันละไปได้เป็นจำนวนมากยังเหลือก็เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะสามารถทำความดีให้สูงขึ้นไปได้โดยลาดับอันบุคคลจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้ก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่โลภ เป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเมตตาตนนะนี่แหละสำคัญนะปรารถนาอยากให้ตนพ้นจากทุกข์นี่เ็นบุคคลเป็นผู้ไม่หลงคือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าตนนั้นนะ่ะมีคุณธรรมสูงต่ำขนาดไหน มีบุญมากน้อยเพียงใดสิ่งใดที่ตนยังหลงไหลยอยู่ก็รู้ว่าตนยังหลงอยู่เรื่องนั้นอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงอืมไม่ใช่ว่าจะไปให้ละกิเลส จ, จนหมดแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่หลงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคําว่าผู้ไม่หลงนี่พยายามมีสติสมัมปชัญญะ กำหนดรู้ตัวอยู่ว่าตนนั้นยังหลงไหลอยู่ในเรื่องนั้นอย่างนี้พยายามระวังตนไม่ให้มันหลงถ้ามันหลงไปงนี่ก็รีบตั้งสติขึ้นใหม่พิจารณาแก้ไขตัวเองอย่าให้มันหลงในเรื่องนั้นนี่ลถึงเรียกว่าเป็นผู้พยายามละความหลงออกจากจิตใจตัวเองอยู่เสมอไป ไม่ท้อไม่ถอยไอคนที่ไม่มีความเพียรเขาพยายามนะี่ะแม่ตนเองหลงอยู่ในเรื่องนั้นก็ปล่อยมันหลงอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบางคนเนี่ยเคยโกรธเป็นนิสัยติดตัวอยู่ก็ปล่อยมันโกรธอยู่นั่นแหละอย่างงี้นะไม่เพียรพยายามละมันนี่นี่เรียกว่าหลงอนะ่ะอืมหลงในสิ่งที่ เป็นอปปะมงคลว่าเป็นมงคลอันที่บางคนเมื่อได้โกรธแล้วสบายใจดีถ้าไม่ได้โกรธแล้วไม่สบายใจอย่างนี้ก็มีนะนั่นน่ะนิสัยมันติดมามแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยพ่ะยนี่ไม่รู้ตัวว่าความโกรธนั้นมันก่อความทุกข์ความพินาจให้แก่ดตนอย่างไรอ่ะไม่รู้ตัว นี่แหะจึงว่ารวมความแล้วมันก็อยู่ที่ความหลงแหละวันนี้นะะเมื่อ บ, บุคคลมาภาวนาเข้าไปสำรวมจิตใจฝึกใจของตนให้สงบลงอย่างนี้มันก็เห็นสิวันนี้นะเห็นโทษแห่งความโลภเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นโทษแห่งความหลงนั่นมันก็เห็นแล้ววันนี้เห็น เห็นเรื่องราวของตัวเองนะก็ความหลงนี่มันมีลักษณะอย่างนี้หนอเออมันทำให้คนเรานั่นทำผิดพูดผิดคิดผิดไปจากความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าหลง อ, อย่ามาความรู้ตัวนี่สำคัญนะให้พากันเข้าใจ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะลากกิเลสให้เบาบางออกไปจากจากรกิตใจไม่ได้เลยเมื่อเรามาพิจารณาเห็นตัวเองว่าตนเองนั้นยังมีกิเลชสชนิดนั้นอยู่นี่ยังรู้อํานาจเ ก, ก่กิเลสบางสิ่งบางอย่างอยู่่นีผู้ใด ร, รู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามสํารวมระวงไม่รู้อํานาจเ ก, ก่กิเลสเหล่านั้น ฝึกตนไปเลื่อยไปไ ม, ไม่ให้ความหลงนะมันเข้ครอบงำจิตใจได้รู้ตัวว่าตนนั้นจะต้องแตกตายทำลายขันลงไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนในโลกนี้ตลอดไปหามีได้ แล้วจะมาหลงมาเมาเอาอะไรอยู่ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละก็ความจริงก็ไปอย่างนั้นจริงๆอนะ่ะไม่ทราบว่าจะเมาโลกเมาโกรธไปทําไมอะ่ะนี่เพราะว่าการโกรธมันก็โกรธให้บุคคลส่วนมากนะแต่โกรธให้สิ่งของก็มีอยู่หรอก แต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวนานๆยังมีครั้งหนึ่งไอสิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะมันยุ่งยากเช่นแก้ไขของบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะมันแก้ยากเลยทุบทิ้งไปซะเลยก็มีมันโกรธมานะจับโยนทิ้งอย่างนี้เนะี่ยเรียกว่านั่นโกรธให้สิ่งของ ที่จะโกรธให้บุคคลนี่สิมันหลายอะมันมากเเพราะอย่างนี้นะมันควรจะตื่นตัวได้ควรจะตื่นตัวว่าไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยมันไม่มีดีอะไรแม้แต่น้อยเดียวนี่แต่ทางเสียทุกคนมันต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองนอะ เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าไปลึกเข้าไปแม้โกรธน้อยหนึ่งก็เห็นว่ามันมีพิษถ้าบุคคลไม่ได้ปฏิบัติธรรมนีนะ่ไม่ได้ภาวนาสมาธินี่จนโกรธอย่างรุนแรงอยู่ก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันมีพิษมีสงสตรตัวเองอลืมตัวไปอย่างนั้น น, ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่า ท่านจึงกล่าวว่าปนหลงนั่นเลยอืมเป็นางนั้นดังนั้นนะให้พากันฝึกใจของตนภาวนาเข้าไปอ้การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีให้เจริญขึ้นในตนได้ก็เพราะตนฝึกใจนี้ให้เข้าถึงความส ง, งบอันจะไปให้ผู้อื่นนั้นนำหรือว่าสอนอยู่เรื่อยไป จึงทำความดีได้อย่างที่ว่ามานันมันเป็นไปไม่ได้เพราะใครไปตามรักษาใครสอนใครตลอดเวลาไม่มีในโลกอันเนี้ยท่านั้นมีแต่ตัวของเราแต่ละคนภาวนามีสติสมชญญะสำรวมจิตใจในไว้ภายในเพ่งจิตใจอันนี้ พ้เมื่อใจเป็นปกติแล้วเราก็มีสติประคองจิตนี่ไว้อย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเช่อในอย่างว่าใจเรามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอเสมอแล้วย่างนี้นะแล้วก็มีสติสมะเชญญะประคองจิตอันประกอบอด้วยเมตตากรุณาให้อยู่เสมอไป ให้มันมีปกติอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดีเนื้อพระอริยบุคคลขั้นต่ําลงมาท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่านี้แหละภายในจิตใจของท่านเพราะว่าความเป็นผู้มีเมตตากรุณานี่นะมันเป็นคุณธรรมของบุคคลผู้ที่ ละความโกรดแล้วผู้ไม่อิจฉาพยาบาทใครนี่ผู้ไม่อิจฉ า, า, า, าพยาบาทเวียดเบียนใครแล้วมันต้องมีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานี่ทางนั้นเลยนะแม้ว่าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ตามท่านเรียกว่ากัลยาณชนนะแปลว่าบุคคลผู้มี ศิลธรรมอันดีงามอย่างนี้ก็ได้แก่บุคคลผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอยู่ในใจเมตตานั้นตั้งกิจปาตถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอยู่นั่นไม่คิดที่จะให้ใครฉีกผายววยวอดอคิดแต่ที่จะให้เขามีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันแม้ว่าบุคคล คนผู้นั้นจะเป็นคนชั่วเป็นคนมีความประพฤติไม่ดีก็ตามก็ยังตั้งกิจว่าขอให้เขาเป็นสุขขอให้เขาเอเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนั้นต่อไปเลยในใจคิดอย่างนี้อันผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนะถ้าผู้ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจก็นึกแช่งไงมันฉิบหายใส่หงไปเลยคนชั่ว ตายวันละร้อยละพันเราก็ไม่เสียใจอะไรหรอกอนี่ใจของบุคคลผู้ที่ขาดเมตตาการุณาแล้วมันไปเมตตาตั้งแต่คนดีว่านี่นะอ่ะาฮนีีใครทำดีก็ยกย่องคนผู้มีความประพฤติดีก็ยกย่องว่าเป็นคนดีสงเคราะห์สงหาอะไรอย่างนี้นะ ถ้าใครเป็นคนชั่วเข้าไปแล้วมิจะบอกปัดไปเลยอืคนอย่างนี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยอืมแม้ว่าเขาจะนอบน้อมเข้ามาขอพึ่งไหวบุญบ้างอย่างนี้นะก็บอกปัดไปเลยไม่เกี่ยวข้องอืมทีนี้มันก็ก่อเวรสิแบบ น, นี้นะนั่นนี่ไปเล่นกับคนพานนะ ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ เ, เมื่อเห็นว่าคนนี้เป็นคนพาลคนไม่ดีเป็นคนใจดำเอามาเหิดอย่างนี้นะเราจะไปแสดงกิ ร, ยริยาเกียรติชังเขาให้เขารู้สึกตัวให้เขารู้สึกในใจเขาองั้นมันเป็นเวรนะไม่ได้เลยเขาก็ผูกอาฆาตน ะ, ะเมื่อเขาได้โอกาสเวลาไหนเขาก็มาเบียดเบียนผู้นันะ้นอะ เรียกว่าเขาเอาเกลือมาแลกเอากับพิมมาเสนเขาว่าอะไรเนี่ย <c oughs> อคนดีเนี่ยไปรังแกคนชั่วไปลังเกียจคนชั่วเท่ากับว่าเอาพิมมาเสนไปแลกกับเกลืออย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วแล้วแล้วก็ สมควรจะต้อนรับเขายัางไงก็ต้อนรับไปอย่าอย่าให้เขาผูกพยาบาทจองเวรเราช่วยเหลืออะไรกับช่วยเหลือไปพอให้พน้นพ้นไปแล้วก็เลี้วไปอย่างนี้มันมันก็ไม่มีเวรแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันทำทั้งหลายมันต้องฉลาดให้รู้จักว่า มันจะมีเวรมีภัยมาถึงตัวอย่างไรต้องให้รู้ก็อย่าไปทํามันอย่าไปสร้างเวรให้เกิดขึ้นในตนะพราะพระเจ้านั้นพระเทวทัตตามหลอ ก, กวนพระองค์อยู่นั้นทุกชาติจะพบมาแต่พระองค์ก็ไม่อักขาจองเวรตอบพระเทวทัตอา้าวพระเทวทัตเบียดเบียนพระองค์ พระองค์ไม่เบียดเบียนตอกแม้ววางชาติพระเทวทัตจะฆ่าพระองค์ตายลงไปพระเทวทาาัตก็ไปตกนรกนู่นพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่สวรรค์ไปคนละทางกันอันเนี้ยได้นทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกน้่นพระเทวทัตนับชาติไม่ถวนที่เป็นอย่างนี้มา <c oughs> จนมาถึงชาติสุดท้ายที่ พระเทวทัตก็ยังคิดทําลายล่างผ่านระชสมบชีพของพระองค์พระองค์ก็ยังมีพระเมตตาพระกรุณาต่อพระเทวทัตอยู่อย่างนั้นในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระองค์มีเมตตาเอ็นดูพระราหุลราชโอรสสันใดพระองค์ก็มีเมตตากรุณาต่อพระเทวทัตกระฉันนั้นนะอย่างนี้ พระไทยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะไอเราเป็นบริษัทของพระองค์นะเราก็พยายามนะพยายามบําเพ็ญตามพระองค์ไปบางคนก็ว่าอ้าอันนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้มีคุณธรรมสูงแนละ้วพระองค์ก็ทําได้สิไอเราเนี่เป็นคนธรรมดาสามัญนนะจะไปมีเมตตากรุณาเท่าเทีเทยมพระพุทธเจ้าจะได้ยังไง มักจะพูดกันไปอย่างนี้แหละพูดพูดเช่นนั้นแสดงว่าไม่ปรารถนาอยากจะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเลยหวงความโกรธความหยาบายาดว่าในใจไม่อยากลบมันเฉียงอยู่เราคนธรรมดาสามัญนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีเมตตากรุณาสูงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้ แต่ว่าเราก็ต้องเดินตามหลังพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นพยายามเจริญเมตตากรุณาตามพระองค์ไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ลงมือทาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความโกรธมันก็ไม่เบาวางออไปจากกิจใจนี่เพราะว่าทั้งพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งผู้เป็นบริษัทก็ดีกิเลสตัวเดียวกันนะ่ะ ไม่ใช่แตกต่างกันนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านั้นกิเลสพระองค์มีอย่างนึงคนธรรมดาสามัญก็กิเลสไปอย่างหนึง่งไม่ใช่อันเดียวกันนะเป็นอย่างนั้นวันนี้ทำเครื่องระงับกิเลสต่างๆเหล่านี้ก็อันเดียวกันพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็บําเพ็ญธรรมะเหล่านี้แหละมาไม่ใช่เฉพาะแต่มาบําเพ็ญในชาติสุดท้ายนี้เท่านั้น ตั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารมาพราะองค์ก็บำเพ็ญเรื่อยมาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละพระเทวทัตตามล้างตามผางพระองค์มาไงพระองค์ก็ไม่พย า, าัตมจองเวีตอบอย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตัดสรุปไปรู้แต่เจ้าถ้าหากว่าพระองค์จองเวีนตอบพระเทวทัตไปอยู่นั้นเนี่ยพระองค์จะยังไม่ได้ตัดสรู้เลย อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่ผู้ที่แสดงตนว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่เดินตามล่องรอยของพระองค์ก็ไม่มีทางจะหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารนี่ไปได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผูใ้ใดหวงความโกรธอยู่เนี่ยเวรทั้งหลายก็ย่อมไม่ระ ง, งับจา ก, กจิตใจของผู้นั้นเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเรื่อยไป มันนี้กระทบกระทักก่าทางแล้วไม่ยองให้อภัยกันมันนี้ก็เป็นเวียนกันไปอย่างนี้นะเกิดไปชาติหน้าไปเจอเข้าอีกก็เอาอีกทะเลาะกันอีกก่อความบีหน้าให้แก่กันและกันไปเลยไม่มีสิ้นสุดมันนี้ชาติแล้วก็ชาติเล่าเหมือนอย่างนิทานอเมียน้อยเมียหลวงของเศรษฐีคนหนึ่งในอดีตการล่วงแล้วมานุ่น อ่าเมียหลวงไม่มีลูกมาเนี่เมียน้อยผนมีลูกอันเนี้ยไอเมียหลวงี่บอกคิดว่าถ้าเมียน้อยนี่ห่ามีลูกมาแล้วมรดกสมบัติเหล่านี้จะตกเป็นของเมียน้อยหมดไอเราก็จะไม่ได้อะไรเลยอย่าเลยคิดฆ่าลูกมันเสียอืมก็หาอุบายฆ่าลูกเวลา เมียน้อยมีทองก็หาอุบายฆ่าลูกของเขาเสียเมียน้อยลูกเข้าอมันกบผูกพยาบาทไว้ ใ, ในใจอย่างนี้แหละผูกพยาบาทไว้ ใ, ในใจเออถ้าหากว่าต่อไปชาติหน้าไปก็ขอให้เราได้ฆ่าลูกมันและฆ่าตัวมันด้วยอ่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้ฝ่ายเมียหลวงนั่น ฆ่าลูกล้วก็ฆ่าแม่พร้อมแบบนี้ภายหลังมาผู้แม่จวนจะตายก็ผูกพยาบาทเมียหลวงเอาไว้เมื่ อ, อเราตายไปขอให้เราได้อาฆ่าได้ฆ่าได้ทำลายชีวิตของเมียหลวงเนี่ย อ, อย่างนี้นะก้วต่างคน ต, งต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉไอฝ่ายหนึ่ง เกิดเป็นไก่อยู่ในบ้านฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นแมวเอ้าแม่ไก่ไข่ออกมาสลายแมวไปกินไข่ออกมาลูกใดก็แมวไปกินสุดท้ายมาแมวก็กินแม่ไก่ซะด้วยแม่ไก่โจนจะตายกับผูกเวียนกับแมวไว้อย่างนี้แหละคนต่างคนต่างตายไป อาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสือฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นละมั่งเอามาเจอเข้าเสือกกินละมั่งเข้าไว้ละมั่งจนจะตายกับผูกเวนกับเสือไว้ผูกพันกันไปจนว่าฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นมนุษย์อือแล้วก็มีสามีแล้วก็มีลกูกมาหนิพอมีลูกมาฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นนางยักษ์ศี ก็รู้ว่าหญิงนั่นคลอดลูกมาก็ไปหลอกจับเอารูปของหญิงนั้นมากินซักว่าต่อมาเนี่หญิงนั้นมีลูกก็รู้ตัวว่ามันจะมียักษ์คีนีมากินลูกของตัวเองก็พาพูดกับสามีให้พาไปหาบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อจะไปอาศัยพ่อแม่อยู่กันไปก่อนพอเลี้ยงลูกใหญ่ เดินทางไปนางยักษีนีเห็นเข้าก็เอ้าเดินตาม น, ะนั่นละเวียนมันเวีนมันหน่วงเข้าไปหากันพอหญิงคนนั้นเห็นนามสุนีแปลงตัวเป็นมนุษย์มาก็รู้ได้เลยบอกสามีนั่นๆันนันนางยักษินีมาแล้วออืทางนั้นก็อุ้มลูกได้ก็วิ่งเข้าไปในวัดที่พระ เ, เจ้าประทับอยู่นะ คนกําลังฟังเทศอยู่วันนี้ไอ้ยักษินีก็ไล่ตามไปเทวดาอยู่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปในวัดพระศาสดาท ร, ทรงรู้ก็ทรงรับสั่งกับเทวดาเปิดให้เขาเข้ามาเทิดอ่างั้นนางยักษินีก็เข้าไปเข้าไปหาพระองค์พระองค์จึงได้แนะนําสั่งสอนเอา พวกเธอน่ะเป็นเวียนกันมาผูกอาคาดกันมาหลายชาติแล้วนะควรจะรู้ตัวอมันเป็นทุกข์อย่างนี้การเป็นเวียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนต่อกันและกันะอืเมื่อพระองค์เจ้าทรงเทศนาแนะนําสั่งสอนไปจบลงนางนักกินีนั้นเลยบรรลุโสดาบันอนางนักกินีในว่าเป็นเมียหลวงนั่นแหละ บรรลุโสดาบันทีนี้พระองค์ก็บอกให้หญิงคนนั้นน่ะเอาลูกไปให้เขาสิลองดูอ่ะหญิงคนนี้ก็เอาลูกไปมอบให้นางยัคคีนีนะั่นนางยัคคีนีก็อุ้มแล้วก็ชมเชยบุญบา ร, รมีของเด็กคนนี้โอ้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ทำอย่างนี้ก็เป็นอาหารของเราไปแล้วแต่นี่เรารู้ทำของจริงแล้วเราทําไม่ได้แล้ว ก็เลยเอาส่งคืนให้แม่าพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้ผู้หญิงคนนี้นะเอานางนักกินีนี่ไปไปเลี้ยงไว้เพราะว่าเพื่อนมีศิลธรรมอันบริสุทธิ์เราจะไปฆ่ า, า ต, ตัดชีวิตกินเหมือนแต่เป็นยักษ์อยู่นั้นไม่ได้แล้ววะนี่แต่ว่านางยักกินีร้องให้ขึ้น องค์ยังถามเอาล้องให้ทําไมโอยตอนนี้ไปข้าพวะองค์ก็ไม่มีอาหารกินแล้วเพราะว่าจะไปทําไปเบียดเบียนสัตว์เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนั้นนะพระองค์จึงรับสั่งให้หญิงคนนั้นนะเอาไปเลี้ยงไปก็จึงพาเอายักษีไปที่บ้านนู้นก็ไปปลูกบ้านให้หลังหนึ่งให้อยู่กันแล้วก็ส่งอาหารการกินให้กินกันไป แต่ยังนางยัคคีนีนั่นเขาก็มีความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศบนี้ก็บอกหญิงคนนั้นปีนี้มันจะแรงนะให้ไปทำนาลุ่มอย่างนี้เขาก็ไปทำนาลุ่มตามนางยัคนีนีบอกปีนั้นก็แรงจริงๆเขาก็ได้เข้า ป, ปีปีต่อไปปีนี้นะมันน้น้าจะมากแล้วมันจะท่วมให้ทานาโดนหญิงคนนั้นเขาก็ไปทำนาโดน น้ำท่วมไม่ถึงก็เลยไม่อดในอดข้าวอดอาหารคนทั้งหลายก็เห็นว่านางยักษินีเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ดินฟ้าอากาศดีถึงแลดูการทํานาทําไร่มาก็ไปถามนางยักษินีนางยักษีคนนะนําบอกให้วันนี้นางยักษีนีไม่อดอาหารเลยวันนี้คนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็ามาให้ ก็เลยมีกินไปจนตลอดชีวิตอันนี้ละขึ้นชื่อว่าความดีนะเป็นอย่างนี้เลยความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันละ่ะใครเห็นก็เอ็นดูสงสารถ้าเขาเสียสละลงได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เกิดผลดีขึ้นมีผู้เอ็นดูสงสารขึ้นมาอุปการะเกือกุล น, นะ ไอคนเราเนะ่ยมันเป็นอย่างนี้แหละยัยงว่าเมื่อไม่รู้พระธรรมคำสอนของพระเจ้านะมันก็สะสมกิเลสเหล่านี้ให้หนาแน่นขึ้นใน จ, ใจิตใจก็ถึงได้ทำชั่วถึงได้เบียดเปียนซึ่งกันและกันไปในสงสารอันนี้ก็เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ พวกเบียดเบียนกมลนี่พวกไม่เชื่อคําสอนไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเถรเจ้าทั้งนั้นเลยรบลาข้าฟันกันมูลนี่รู้แต่ไม่รู้แจ้งในคําสอนของพระเถรเจ้าทั้งนั้นไอ้พวกคนเหล่าใดน่ะมรู้แจ้งในคําสอนของพระเถรเจ้าแล้วไม่มีการที่จะเบียดเบียนกันนะมีแต่เอืึดเพือเกื่งคุนซึ่งกันและกัน พุทธศาสตรานาจะตั้งยั่งยืนมาได้นี่ก็เพราะคนที่รู้คำสอนของพระเจ้ามีเมตตาธรรมกรุณา ร, รมอยู่ในใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็ถึงได้ทาบุญบริจาคทานบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยทั้งสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นนี่ถ้าหากว่าชาวบ้านั้นไม่มีคุณธรรม เมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจอย่างว่าเนี่ก็ก็จะไม่มีแก่ใจอ่ะธนุบำรงวัดวาศาสนาได้เลยเดี๋ยวก็จะโทษพระภิกษุสามเณรว่าไม่ทำการทำงานอะไรให้เกิดประโยชน์เพียงแตอาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่มันน่าพูดจริงๆนะตรงนี้นะเพราะถ้าดูผิวเผินแล้วพระสงฆ์นี่ไม่เห็น ทำอะไรช่วยประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองอะไรตื่นเช้ามาก็เพียงแต่ว่าได้บาทแล้วก็เข้าบ้านไปใครเขาใส่ให้อย่างมาก็มาฉันกันฉันก็แล้วก็ยูกันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นได้อะไระถ้าดูผิวเผินแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าเป็นอย่างนั้นนะ แต่ถ้าพิจารณาด้วยพิจารณาญาณนะให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันจะมองเห็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลประโยชน์ที่เราจะได้จากพระสงฆ์คืออะไรแต่หมายหมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีนะก็เมื่อคนเห็นพระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีเป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสังงัดไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะ เมอมองเห็นว่าท่านอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีมัมกน้อยสันโดษก็มาเพวาว่าเป็นผู้ปรารถนาให้กิเลสตัณหาความชั่วไล่ในใจนในห้มโนยเบาบางออกไปจนกลัวมันจะหมดสิน้นพาเพียรพยายามละความชั่วอันนั้นออกไปแม้ว่าใครจะมาผานทะเลาะ บ, บอกแวงท่านก็ไม่เล่นด้วย ไม่ตอบโต้ด้วยนั่นแหละเมื่อเมื่อชาวบ้านผู้มีบุญวัฒนะมีปัญญามองเห็นพระสงค์อย่างนั้นแล้วก็ซาบซึ้งในใจสิวะนี้โอ้ความอดทนอดกั้นความไม่เบียดเบียนพระท่านเป็นผู้นำอ่ะท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีความสันโดษท่านมียังไงท่านก็บริโภคใช้สอยอย่างนั้นท่านไม่ ไปประจบปัจแจงไม่ไปแย่งสิง่งเอาของเขาใครมาใช้สอยมาบริโภคเลยสุดแล้วแต่บุญกรรมมันบันดาลให้ผลอย่างไรท่านก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าพระสงฆ์ท่านถือสันโดษยิยนดีตามมีตามได้ทีนี้ถ้าชาวบ้านทำตามอย่างเอาเราหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น เชื่อบุญเชื่อวัสนาของตัวเองตัวเองหาจนสุดกำลังแล้วมันได้มาเท่านี้ก็แสดงว่าบุญวัสนาของตนที่ทำมาต่ก่อนนั้นมันมีเท่านี้มันว่าหนุนส่งเราเพราะคนเราเมีกรรมเป็นของตนอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนั่ น, น, นทรงพระดำรัสไว้นั่นเลยคนเรามีกรรมเป็นของตนนั่นเอง ควรทาดีไว้ดีกว่าทำชั่วมันะความดีนะั้นมันจะตามสนองให้มีความสุขความจเจริญต่อไปถ้ า, ากว่าผู้คิดได้อย่างนี้แล้วนะก็ตั้งใจทำความดีเข้าไปความชั่วก็ละเว้นออกไปอย่างนี้การทำความดีก็อย่างว่าอะแหละอาศัยความไม่โลภ ยินดีตามมีตามได้ตนหาได้มาอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้เบียดเบียนๆๆผู้อื่นให้เป็นทุกเดือดร้อนทีนี้ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าไม่ได้เบียดเบียนใครแม้ว่าจะได้สมบัติเขาขอเงินทองมาไม่มากเหมือนอย่างคนบางคนที่เขามีมากกลัวก็ไม่เดือดร้อนอืมเพราะว่าภายในจิตใจเราเนี่นะ มันไม่ทะเยอทยานเกินขอบเขตเกินบุญวดสนาของตนไปตนมีบุญวดสนาเพียงเท่านี้ตนก็ย่อมยอมรับบุญวดสนาของตนเท่านี้คนอื่นเขามีมากกว่าตนเราก็แสดงความพอยยินดีไปด้วยทิฏเน ว, วามีมูทิตาจิตเนึกว่าเขามีบุญมากกว่าเราแต่ชาติก่อนเขาได้ทำความดีมามาก เพรา ะ, ะนั้นมาชาตินี้ความดีก็มาสนองให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญขึ้นมาไอเราแต่ก่อนโมเมาประมาทไม่ฝึกตนไม่ทำความดีให้มากไวมกักจะไปทาความชั่วมากกว่าความดีคนมันจึงมาปรากฏในปัจจุบันนี้ความเสื่อมนี่มีมากกว่าความเจริญสินี่คันทำความดีเข้าไป หวนมันจะได้ดีมันจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอะไรความชั่วที่ตัวทําไว้มาตัดร้อนลงเสียทําให้อะไรอะไรก็เสื่อมลงไปลาบยศสนเสริญอะไรก็เสื่อมลงครั้นเมื่อตั้งอกตั้งใจทําความดีเข้าไปเอา้าความชั่วมันก็มาสกัดกันไว้อีกอยู่อย่างเนี้ยคนบางคนนะจะเจริญรุ่งเรือ ง, เรองไปไม่ได้เลยอ่าก็แต่ชาติก่อนมันเป็นอะไรอ่ะ อ้าวแต่ชาติก่อนนันมันก็อาศัยกิเลสตัวนี้แหะคือตัวอิจฉาสิเห็นคนอื่นเขาได้ดีไปขัดขวางเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าตนน่ะไม่พอใจไปขัดขวางเขาให้เขาจเจริญไปไม่ได้อย่างนี้นะพฤติกรรมนั้นมันก็ตามมาเลยตามมาสนองเอาแต่คนไม่รู้ตัวรอเรื่องมันนะไปโทษแต่ผู้อื่นนันะ เห็นคนเข้ามาเบียดเบียนตนก็ไปโทษเขาเอาไปผูกใจเจ็บไว้คิดแก้แค้นเข้าไปเวีนต่อเวีมันก็เลยตามผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิน้นเถ้าผูใ้ใดรู้ตัวว่าเออไอ้เรื่องเช่นนี้มันน่าจะเป็นตกรรมเวีนของเราที่ทํามาแต่ก่อนนะเรามันต้องได้ไปอิจฉาตัดลอนความดีของคนอื่นเขาเออกรรมนะมันยังตามมาสนองเอาอย่างนี้นะ <c oughs> ทนผู้ใด้แล้วลึกได้อย่างนี้แล้วก็เอาอดทนว่า น, นี่นะใครอ่ะจะมาอิจฉาเบียดเวียนอะไรก็ไม่ผูโกรธผกข้อยาบาทไม่คิดแก้แค้นเอาล่ะขอให้กรรมเวรนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ให้หมดไปสร้าหน้าขอจะให้มีอีกต่อไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปอ่าเมื่อถูกเบียดเวียนทีไรแล้วก็อธิษฐานใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไป พอกรรมเวรนี่ยมันให้ผลหมดแล้วมันก็หมดไปเมื่อกรรมเวรนี่ยหมดไปกรรมดีที่ทํามาแต่ก่อนมันก็ให้ผลก็จเจริญรุ่งเรืองไปถ้าหากว่ากรรมดีที่ตนทํามามันมีอยู่นะถ้าตนไม่ได้ทํามาก็อย่างว่ามันก็ทุกจนหนโลกมันก็ชีวิตก็เสื่อมไปจนตลอดหมดอายุสังขารไปนู่นน ะ, ะมันเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นะคนไม่ค่อยคิดกันดอกเรื่องมันนะ่ะ เพราะฉะนั้นจึงคิดค้นเอามาพูดสู่กันฟังนะมักจะข้ามกายไปเลยบางคนนะถึงแม่นับถือพุทธศาสนาอยู่ว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติวัดว่าศาสนาอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าผูกว่ากรรมมันเก่านะมันตามมาสนองไม่รู้ตัวเลย นึกไม่ได้เลยไปโทษแต่ผู้อื่นนะว่ามาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวอย่างนี้นะแล้วก็คิดแก้แค้นเขาไปอย่างนี้มันก็เป็นเวียนผูกพันกันไปอย่างนั้นเลยนั่นไม่ถือว่าเป็นผู้รู้ธรรมคาสอนของพระเจ้าถ้าผู้รู้ธรรมคาสอนของพระเจ้าจริงก็อย่างว่านี่นะพระพุทธเจ้ายังเลตตรัสภาสิตวยว่าอะโกเทนชินเนกทันพึ่งเอาชนะความโกรธ ด้วยไม่โกรธตอบอสาทงสาธุนาชิเนพึ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบอพึ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้นิ่ปติทางพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่คนส่วนมากปฏิบัติตามไม่ได้เรือง ม, มนะันใครโกรธมาแล้วก็โกรธตอบทันที เช่นนี้มันก็เวียนๆกันไม่รู้จะจบสิไปอย่างนั้นใครทําไม่ดีต่อตอนบางนี่ตนก็ทําไม่ดีต่ออืมใครตนี่ไม่ยอมให้อะไรแก่ตนเลยเมื่อเขามาขออะไรตนตนก็ไม่ให้เหมือนกันตั้งแต่เราไปขอเขาเขายังไม่ให้วันนี้เมื่อขอเราเราก็จะไปให้มันทําไมอ่ะวันนี้มันก็เลย เลยเป็นมิตรเป็นญาติกันต่อไปไม่ได้แล้วคนสองคนนั่นนะหันลังให้กันเลยนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเพิ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้เอาเราไปติดต่อเขาเขาไม่เอื้อเฟื้อกับเราเขาไม่เป็นไรเมื่อเขามาติดต่อกับเราขอร้องเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือไปถ้มามีทําได้อย่างนี้ ต่อไปเขาก็เห็นคุณของเราวานี่นั่นเลยเขาเห็นคุณของเราเมื่อเราไปเอื้อเพื่อไปติดต่อเขาภายหลังเขาก็อาจให้เราได้ในที่สุดก็เลยเป็นมิตรเป็นสาายเป็นญาติกันสืบต่อไปเลยชักชวนกันทำความดีร่วมกันไปได้นี่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งจริงๆเรื่องหมูนี้นะจึงได้ทรงแสดงเป็นพุษพาสีไว้ เมื่อใครทำไม่ดีต่อเราอย่างนี้ไอเราอยาไปทำไม่ดีตอบเขาแบบนี้เราทำดีตอบเขาเสมอเช่นอย่างว่าเราขอร้องเลยเขาทำอย่างนี้ช่วยเหลือบ้างเขาไม่ทำเขาบวกปัดไปเล ย, ยนี่กระชากขั้นต่อไปถ้าเขามีทุระอะไรขอร้องเราไปช่วยเอาเราช่วยอย่างนี้แหละ เราช่วยเราไม่ถือโกรธไม่ถือเกลียดเพราะว่าเราจะแก้กรรมแก้เวรอันหมู่นั้นเรื่องมนันนะเมื่อเราทําอย่างนี้ไปมันก็ญาติดีกันอย่างไรว่านั้นเน่ยมันก็ญาติดีกันไปได้ก็เลยช่วยช่วยเหลือคื่อคูณกันไปได้ไม่มีเวรต่อกันและกันเลยทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากดวงกิจที่มีคุณธรรมอันสูงส่งอยู่ในใจ คือเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขานี่ยนะอย่าไปลืมไอ้อย่างที่ว่าเขาทํากับเราแล้วเราไม่โกรธเขาเราให้ภัยเขาไปนั่นแสดงว่าจิตใจของคนนั้นเป็นอุเบกขาเออมันจึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วแน่นอนมันก็ตอบโต้กันแหละอืมเรื่องกรรมเรื่องเวรหนอ ถ้าเราตอบโต้ไปมันก็เป็นกรรม เ, เวีนผูกพันกันไปไม่มีความสุขความสงบได้ อ, อย่าเลยอย่าไปผูกเวีนกันเลยนะ่ะวางใจเป็นอุเบกขาลงไปนั่นพโมยหารสี่ให้พากันใส่ใจไว้ให้มากๆมันเป็นคุณธรรมอันสูงส่งระ ง, งับกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากกิตใจได้แต่ระ ง, งับให้ขาดเด็ดไม่ได้หรอกมันจะ ขาดเด็ดถอนรากกันได้จริงๆก็อาศัยปัญญาแบบนี้นะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานั่นแหละมันการละกิเลสเนี่ยต้องละเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปละกุปปับทีเดียวให้หมดรากถอนโคนไปเลยมันไม่ได้มันไม่ได้มันยังต้นไม้ใหญ่อย่างนี้นะเราจะไป ตัดปุ๊บปั๊บให้มันขาดไปเลยมันไม่ได้ออืต้องตัดต้องถอนไปต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างแข็งแรงอไม่ใหญ่ใหญ่นะ่ะมันถึงตัดลงได้อืออันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยบรรดากิเลสทั้งหลายอย่างหนาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีนี่ อย่างหาบนั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเหมือนกันแหละเหมือนกันอย่างกลางนั่นทรงสอนให้ระงับด้วยการภาวนาอย่างเดียวนี่ก็อย่างหาบเนี่ยให้ทานเป็นการบรรเทาเสียซึ่งความโลกโมระนีย รักษาศีลในบริสุทธิ์เป็นการบรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความเมบาาอย่างนี้ในความหลงนั่นระงับได้ด้วยภาวนาการภาวนานี่มันก็มีอยู่สองขั้นตอนบัดนี้การทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปด้วยการเพ่งกรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นบริกรรมพุทโธ ให้อยู่ภายในจิตใจไม่ส่งออกนอกอันนี้ถ้าผู้ใดทาพุทธโธนี่อยู่ในใจให้อยู่ภายในได้มีหวังใจสงบลงแน่นอนแต่ถ้าว่าผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันชอบคิดมากนี้ก็ไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างนี้นะไม่คิดอะไร มีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปจิตมันคิดไปทางอื่นไม่ได้ก็สติควบคุมอยู่อย่างนี้มันก็สงบลงได้แบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงแล้วในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา อย่างที่แนะนําสั่งสอนมาอหลายครั้งหลายหนที่ลุงมาแล้วนั่นก็ไม่ทราบว่าจะไปสอนอะไรอย่างพวกการเจริญปัญญานี่ก็หมายเจริญไตรลัรกษณ์นั่นเองนะอืต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแห่งสังขารความเป็นทุกข์ทนมารย์ลาบากแห่งธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้พิจารณาความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดของธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ ให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาขึ้นมาจริงๆนี่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาจริงๆริแล้วอย่างนี้มันจะละอัตตานนทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ภายในธาตุสี่ขันห้าอันนี้ได้เลยอ่านี่มันเป็นอย่างงานเรื่องของการเจริญปัญญาก็คือเจ ร, ริญสไตรลั